เสือมาแล้วเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อกริณะเขาอยู่กับพ่อของเขาในหมู่บ้านเล็กๆกริณะกับพ่อของเขาเป็นคนเลี้ยงแพะกันทั้งคู่พวกเขาหาเลี้ยงชีพโดยการเลี้ยงวัวแต่กริษณะนั้นสนมากทุกวันเขาจะหาเรื่องใหม่ๆให้สนได้อยู่เสมอวันนี้จะทำอะไรดีนะ แต่ทำไมเราไม่เห็นใครที่นี่เลยแล้วทีนี้เราจะแกล้งใครดีละ่ะจะปล่อยให้วันนี้มันเสียเปล่าไม่ได้อ้ยนะ่าเบื่อจริงๆเลยเร็วส่คิดี่เราต้องทาอะไรสักอย่างหลังจากนั้นพ่อของกฤษณะก็เดินมาหาเขาเขาดูสับสนมีอะไรกฤษณะทำไมยังอยู่ตรงนี้ละ่ะโอ้เปล่าพ่อผมสงสัยว่าผมจะทำงานอะไรดี โอเคเอาี้นะวันนี้พ่อนี่ยไม่ค่อยสบายทําไมเจ้าไม่พาวัวไปกินหญ้าซะหน่อยละ่ะวัวพวกนั้นน่ะได้พ่อผมจะพาไปเองนี่ฟังนะแกจะต้องดูพวกมันให้ดีๆไม่งั้นเสือจะกินพวกมันแน่นอนผมจะดูเองพ่อไม่ต้องห่วงเราไปดีกว่าเกือบจะถึงเวลาวัวต้องกินหญ้าแล้ว ถึงแม้ว่ากฤษณะจะเป็นเด็กดื้อ ม, มากเขาก็ไม่เคยปฏิเสธพ่อของเขาเขาทําตามคําสั่งของพ่อของเขาเสมอกฤษณะแก้มัดวัวแล้วก็พาวัวไปกินหญ้ามือข้างหนึ่งของเขามีเชือกไม้และอีกข้างหนึ่งก็มีไม้ยาวหลังจากนั้นกฤษณะกับวัวของเขาก็ไปถึงทุ่งหญ้าในป่าเขาเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ตรงกลาง กีสนาค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วนั่งบนต้นไม้หลังจากนั้นเขาก็เริ่มทําให้หินตกลงมาบนผืนแล้วเขาก็เริ่มเบื่อแต่ว่าทันใดนั้นเองเขาก็เริ่มคิดแผนอะไรแปลกๆเขาก็เลยเริ่มร้องออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยมีเสือมาช่วยผมด้วยมีเสือมา พวกมันจะกินวัวของผมช่วยด้วยช่วยวัวของผมด้วยมันอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นชาวบ้านที่ได้ยินก็ตกใจและกลัวมากโอไม่นะคิงซานกำลังตกอยู่ในอันตรายเสือต้องฆ่าเขาแน่เพราะต้องไปช่วยเขาใช่รีบไปกันเถอะไปไปเร็วๆไปไปช่วยกันไปไปเร็วไปไปกันเถอะไปกันเถอะนะไปกันไปกันทุกคน วิ่งไปที่ป่าพวกเขาหยิบทุกอย่างที่ติดไม้ติดมือไปได้เพื่อเป็นอาวุธเพื่อโจมตีเสือชาวบ้านที่กําลังยุ่งทิ้งงานของพวกเขาเพื่อไปช่วยกฤษณะแต่ว่าไปไปในกฤษณะเสืออยู่ไหนเนี่ยเป็นอะไรบ้างไหมจำหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะเรามาแล้วอย่าลงจากต้นไม้เด็ดขาดนะบอกมาว่าเสืออยู่ไหน บอกพวกเราทีเสืออยู่ที่ไหนเหรอบอกบอกเรามาสิ <laughs> <laughs> เสืออะไรกัน <laughs> ไม่มีหลอกหน้าไม่มีจ <laughs> <laughs> าร้องทำไมกันล่ะฮะที่แกล้งเล่นหรือไงกันเนี่ยฮะปริสนานี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกนะปริ น, นะท้ามแกล้งอะไรแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นวันหนึ่งลำบากแน่ เราทิ้งงานมาเพื่อช่วยนายเลยนะกฤษณะพอะแล้วกฤษณะแกล้งกันแบบนี้ทำเราลำบากรู้ไหมเราจะไม่มีทางช่วยนายอีกไม่มีทางเด็ดขาที่จะช่วย <laughs> อย่ากโกรธเลยนะ้าโอเคโอเคผมจะไม่ทำอีกแล้วเชื่อผมนะกฤษณะหยุดหัวเราะไม่ได้ชาวบ้านทุกคนโกรธมากแต่ตัวกฤษณะนั้นก็ยังคงไม่สํานึก สนุกจริงๆวันนี้ชาวบ้านที่น่าสงสารตกใจกันหมดเลยวันนึ่งผ่านไปกฤษณะกลับบ้านกับบัวของเขาวันถัดมาเขาก็พาวัวไปกินหญ้าใหม่และเขาก็ตัดสินใจเล่นมุกเดิมช่วยด้วย ช่วยด้วยเสือมันจะมากินวัวของผมช่วยด้วยช่วยผมทีช่วยด้ว ย, ว ย, ว ย, วยใครก็ได้อีกครั้งที่ชาวบ้านได้ยินเสียงกฤษณะร้องคนที่ไม่รู้ว่าเขาแกลกก็เลยเริ่มห่วงก็เลยรีบวิ่งเพื่อไปช่วยกฤษณะในป่าออไ ป, <Yeah. S 3> ไ ป, ไปเอาอไกฤษณะตก อ, อยู่นอันารายไปช่วยเขาเถิดนะไปออใช่ น่าสงสารนะเขาจะสู้กับเสือตัวคนเดียวได้อย่างไงกันเราจะต้องรีบไปช่วยนะใช่ไปกันเถอะนะกบอกว่าเขาจะไม่เป็นไรไปไปอีกครั้งที่ชาวบ้านตกหลุมพรางของกฤษณะทุกคนวิ่งไปหากฤษณะเพื่อที่จะช่วยพวกเขาไปถึงป่าพวกเขาก็เห็นว่ากฤษณะปลอดภัยดีและกําลังหัวเราะดูหน้าทุกคนสินี่เป็นอะไรกันไปเหรอฮะ นี่ไม่มีเสือแล้วร้องทำไมเนี่ยก็ไม่มีเสือไงไม่มีเธอเป็นอะไรของเธอนะหยุดทำแบบนี้ได้แล้วเมื่อไรจะโตนะมันไม่ถูกต้องเลยแบบนี้เธอไม่ต้องทำงานแต่เราต้องทานะทำไมเธอจะต้องรบกวนพวกเราด้วยกฤษณะนี่มันไม่ถูกต้องวันหนึ่งเธอจะต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำกฤษณะเรามาช่วยเธอแต่เธอทำกับเราแบบนี้เราจะไม่มีทางมาช่วยเธออีกแล้วไปกันเถอะใช่ช่เราจะไม่ฟังเขาอีกแล้วจะกลับไปทาไมกันล่ะ ผมจะบอกเสือว่าอะไร <laughs> ชาวบ้านเห็นกฤษณะหัวเราะทุกคนก็เลยโกรธมากทุกคนนั้นก็กล่ากฤษณะและตะโกนใส่เขามันกลายเป็นนิสัยของกฤษณะไปแล้วที่เขาจะมาที่ทุ่งหญ้าเพื่อขอความช่วยเหลือชาวบ้าน เข้าใจมุกของเขาดีแล้วตอนนี้แต่ก็ยังมีคนที่เข้าไปช่วยเขาทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พาวัวไปกินหญ้าอีกแล้ววันนั้นก็มีเสือเข้ามาจริงๆไม่ใช่แค่หนึ่งตัวแต่หลายตัวเลย <c oughs> เขาก็เลยร้องของความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยเสือเสือเสือมปนมาแล้วช่วย ครด้ช่วยผงทีท้มไม่มีใครมาช่วยเขาไม่มีใครฟังเสียงร้องของเขากรษณะได้ร้องขอเชื่อผมเถอะเสือมาเยอะเลยคุณลุงช่วยด้วยคุณป้าช่วยด้วยเสือกำลังทำร้ายวัวของผมใครก็ได้ไปก็ได้ช่วยผมทีช่วยที่ ช่วยทีอะไรก็ได้คุณล้งเขาตีนี้ใสยแล้วร้องเล่นเป็นว่าเล่นเราจะไม่เสียเวลาไปช่วยเขาอีกใช่เราจะไม่ไป ช, ช่วยไทยกลับไปทํางานเถอะเสียเวลาเปล่าใช่ใช่เขาเล่นจนแบบนี้ ใ, ใค ร, รจะไปกันล่ะใช่กลับไปทํางานกันเถอะเสียเวลาเปล่าเรื่องเนี้เสียเวลาทั้งนั้นอ่ะกฤษณะเอาแต่ร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครมาช่วยเสือทำร้ายวัวของเขาทีละตัวทีละตัวและกินจนหมดกฤษณนะได้แต่นั่งทำอะไรไม่ได้เอาแต่ร้องไห้ร้องแล้วร้อง เ, <sk r inating> เขาทำวัวทุกตัวตาย <sk r inating> เมื่อข่าวไปถึงพ่อของกฤษณนะ <sk r inating> พ่อของเขาก็เลยเป็นห่วงแล้ววิ่งไปที่ป่า ติด ท, ทำอะไรลงไปกิตนะอัวพวกนี้เป็นทางหากินของเรานะพวกมันหายไปแล้วเราเราจะหากินกันยังไงเราจะกินอะไรกันพ่อนอะไม่เคยว่าที่แกสนนะแต่วันนี้นี่มันมากเกินไปพ่อจะทํำยังไงกับแกดีเนี่ยเขย่าพยผมด้วยพ่อ ผมทำผิดไปแล้วผมจะไม่โกหกอีกพ่อให้อภัยผมด้วยนะพ่อได้โปรดให้อภัยผมด้วยได้โปรดนี่คือสิ่งที่กฤษณะนั้นต้องชดใช้ที่เขาทำตัวแบบนี้ใช่บอกมาสิจ๊ะโบวันนี้ได้เรียนรู้อะไรว่าเราไม่ควรจะโกหกค่ะ ยิ่งเรากโกหกนะก็จะยิ่งมีแต่ผลเสียใช่จ้ะแต่ละครั้งที่เรากโกหกความเชื่อใจของคนรอบตัวก็จะยิ่งน้อยลงแล้วเราก็จะอยู่ตัวคนเดียวการโกหกมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับเราเลย